ปกติของการที่เรามาปฏิบัติธรรมนะเบื้องต้นก็คือเราทำความสงบใจใช่ไหมพอเราทำความสงบใจปุ๊บสิ่งที่เราต้องเอาไปใช้ต่อหลังจากที่เรามีความสงบใจแล้วเนะี่ยก็คือคอยพิจารณาเห็นถึงความเป็นจริงไปเรื่อยๆนะความเป็นจริงอะไรบ้าง ก็มีเยอะแยะไปหมดใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นความไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลตัวตนเราเขาอย่างนี้เห็นถึงว่ามันเป็นธาตุสีบ้างเห็นถึงความเป็นของไม่สะอาดบ้างพอเห็นแบบนี้มันมีเยอะแยะหลายแบบหลายแนวให้เราพิจารณาบางท่านก็าอาจจะรู้สึกว่าโอ้มันเยอะแยะไปหมดเลย แต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราพิจารณาความเป็นจริงต่างๆเนี่ยมันจะวิ่งมารวมกันเหมือนกันวิ่งมารวมกันตรงปลายทางตรงที่ว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสิ่งไหนก็แล้วแต่มันจะไปรวบตรงความจริงตรงที่มันเป็นของไม่เทีย่ยงก็คือเป็นของที่ไม่ได้แบบว่ายั่งยืนถาวร อ, อะไรไม่เทีย่ยงใช่ไหมเป็นทุกข์ แล้วก็เป็นของที่ไม่มีตกตนคือควบคุมไม่ได้มันคับบัญชามไม่ได้ไม่ต้องอะไรมากเอาแค่ตัวเราเองแหละเราสั่งมันได้ขนาดไหนเราสั่งมันได้ตลอดร0อยเอร์เซ็นไหมก็ไม่ได้หรอกนะไม่ต้องเอาอะไรมากาแค่เรานั่งอยู่เนี้ยอ้ยอย่าปวดอย่าปวด อย่าปวดอย่าปวดสั่งมันอย่างนั้นยังไงมันก็ไม่เชื่อฟังเราสั่งไหมให้มันไม่แก่นะต่อไปพรุ่งนี้ให้อายุลดลงสิปีนะความคืนความยาววัยมาสิปีนะอย่าป่วยนะให้มันแข็งแรงดังเดิมนะรองคับไม่ได้ละอันนี้คือธรรมชาติของมัน พอเราเข้าใจถึงธรรมชาติแบบนี้เนี่ยเรื่อยๆเห็นว่ามันเป็นของไม่เที่ยงหรอกมันเป็นของเพราะมันไม่เที่ยงมาคัดบัญชาไม่ได้ถ้าเราไปยึดติดยึดผูกหรือต้องการมาคับบัญชาให้ได้ดั่งใจมันก็เป็นทุกข์แน่นอนอันนี้ไม่ต้องอะไรนะอเอาเฉพาะตัวเราเนี่มันก็พอรแรงอยู่แล้วอยู่กับตัวเราเองบังคัดบัญชา มันได้ง่ายที่สุดแล้วแหละตัวเราเลยนี่ไม่นไม่นับถึงข้างนอกนะไม่นับถึงคนรอบข้างไม่นับถึงสิ่งของต่างๆหรือสัตว์หรืออะไรต่างๆรอบตัวเรามันก็สั่งไม่ได้ว่าไปฟังมันก็จะได้เห็นถึงความเป็นจริงแบบนี้หลวะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเหมือนกับจะสั่งได้บ้าง พอสั่งได้บ้างเนี่ยมันทําให้เรามีความคิดที่มันค่อยๆผิดผิดเพีย้ยนหยิบเดียวไว้ว่าทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ภายใต้กำมือของเราทุกอย่างมันอยู่ภายใต้การควบคุมของเราจริงๆมันไม่ใช่เลยเราควบคุมมันได้แค่นิดหน่อยเท่านั้นเองอันนี้คือความเป็นจริงนะเราอย่าลืมบอกตัวเราอยู่บ่อยๆให้เห็นถึงว่ามันไม่เที่ยงนะนี่เห็นดงว่า มันเป็นของที่ไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สัตว์มงคน ต, ตัวตนเราเขาหรอกมันสั่งไม่ได้ว่าไม่ฟังตลอดหรอกได้บางครั้งบางคราวซึ่งบางคนเนี่ยเวลาที่อยู่ในตําแหน่งหน้าที่ที่มันแบบว่าต้องเกี่ยวเนื่องด้วยคนหน ม, มากมันเกี่ยวเนื่องด้วยคนหนุมากมีอํนนานาจในการตัดสินใจชี้น่วนทำนี่อย่างงี้นะ บางครั้งเนี่ยด้วยความเคยชินพอมันมีอำนาจมีหน้าที่ปุ๊บเนี่ยมันทําให้เขาว่าเราว่าเขาก็ต้องว่าตามกันแต่ว่าด้วย่าภายใต้เงื่อนไขที่ถ้าเขาไม่ทําเนี่ยเขาก็มันมีเขาเรียกว่ามีส่วนได้ส่เสียพอเป็นอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยเขาก็ทากําบ้างไม่ทำบ้างแต่ส่วนมากพอมันมีเงื่อนไขหลายๆอย่างมันผูกกันไปมันก็ต้อง ทำตามหน้าที่กันไปพอสั่งตามหน้าที่แล้วก็ทำตามหน้าที่พอทาไปทาไปมันก็อาจจะหลงลืมไปว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้สั่งอะไรได้ทุกอย่างนะแต่ใจล่ะมันจะทำให้ค่อยๆหลงไปหลงไปว่าสั่งซ้ายได้ซ้ายสั่งขวาได้ขวามันจะค่อยๆมีความเห็นที่ว่าทุกอย่างเราควบคุมได้ แต่พอเราทาใจสงบ ด, ดีมีความรู้สึกที่มันเป็นกลางแล้วเนี่ยมันก็เริ่มจากจุดเล็กๆของเราเล่แหละก็คือตัวเราเองกันพอแค่ตื่นนอนเนี่ยบางครั้งเรายังไม่อยากตื่นหรือว่าบางครั้งเราอยากหลับแต่เราไม่หลับมันยังควบคุมไม่ได้เห็นเล็กๆน้อยๆพวกนี้มันก็จะเป็นสิ่งเตือนใจเราเนะเออจริงๆล้วบนโลกใบนี้เราก็ควบคุ ม, มอะไรไม่ได้ถึงใจ ถ้ามันควบคุมไม่ได้ดั่งใจแล้วเป็นไงก็ทุกใจสิเป็นอย่างนี้อันนี้ก็คือคนที่ปฏิบัติธรรมมีความสงบใจแล้วเนี่ยสิทธิ์ที่นําความสงบที่ได้มาใช้ก็คือเอามาให้รู้เห็นตามความเป็นจริงแบบนี้แหละแล้วการที่เรามีความรู้เห็นตามความเป็นจริงแบบนี้มันดียังไงมันดีตรงที่ว่า ใจเราอะ่ะพอมันไม่ไม่สวนทางหรือไม่ย้อนแย้งกับความเป็นจริงชีวิตเราก็สบายสบายตรงที่ว่าเราเข้าใจพอเราเข้าใจเงื่อนไขของเรามันก็ลดความซับซ้อนลงไปพูดไปก็เริ่มจะมันเริ่มซับซ้อนขึ้นนิดหน่อยแต่จริงๆก็ไม่ได้ซับซ้อนหรอกคือเราเข้าใจตามความเป็นจริง เวลาที่เรามีความสุขโดยมาก่ะความสุขของเรามาจจะซับซ้อนเกินกว่าความเป็นจริงที่มันเป็นความเนอนไขความสุขของเรามันซับซ้อนขึ้นเราก็หาความสุขได้ยากขึ้นอย่างเช่นเราตั้งเ่อนไขว่ามื้อเที่ยงนี้เราจะต้องกินอาหารจากร้านนี้เท่านั้นถ้าไม่ได้ไม่กินีเป็นต้นหรือต้องให คนนี้ไปกินกับเราด้วยเท่านั้นเราถึงจะพอใจซึ่งถ้ามันไม่ถูกตามเงื่อนไขยอย่างเงี้ยสิ่งนี้มันได้ไม่ไม่ใช่ว่าการางนะมันก็มีระหว่างสุขกับทุกข์นั่นแหละได้ก็รู้สึกพอใจก็เป็นสุขพอไม่ได้ไม่พอใจมันก็เป็นทุกข์มันก็ได้อยู่อย่างนี้แหละไม่สุขกับทุกข์แต่ทำไมเราถึงต้องสร้างเงื่อนไขา ย, ยา ก, ยาก ให้กับตัวเองเพื่อที่จะได้ความสุขใช่เราไม่จำเป็นจะต้องเลือกร้านนี้ก็ได้เราไม่จำเป็นจะต้องจับจงเฉพาะอันนี้ก็ได้หรือไม่ต้องเลือกว่าเราจะต้องจับจงเฉพาะคนคนนี้ก็ได้ที่จะต้องไปกินกับเราพอเราลดเงื่อนไขตรงนี้ลงไปปุ๊บมันก็กลายเป็นว่ามีอะไรเราก็กินได้ใช่ไหอาจจะมีให้เลือกสองสามอย่างตรงหน้าอย่างเงี้ยเราก็พอเลือกได้อาจจะเอาอันนี้ไม่เอาอันนั้น มันไม่ได้ซับซ้อนมากจนเกินไปมันก็ทำให้โอกาสที่เราจะมีความสุขโอกาสที่เราจะเขาเรียกว่าได้สิ่งที่ไม่ไม่อยากได้ก็ตกไปหรืออยากได้ในสิ่งนี้แล้วไม่ได้อันนี้ก็ตกไปเงื่นไขความทุกข์อันนี้มันก็หายไปเงื่นไขความสุขไม่ซับซ้อนมันก็มีข้อยิ อันนี้ก็จะทำให้เราเข้าใจถึงตามความเป็นจริงว่าเออเวลาที่เรามันไม่ถ้าเราจะป้องบังคับบัญชาอะไรมันมากๆเนี่ยมันไม่ได้ดังใจมันก็เป็นทุกข์อันนี้พอขยับขยายเข้าไปในเรื่องคนอื่นบ้างการทํางานบ้างอย่างนี้นะขยับวงนั้มันกว้างขึ้นเน่ยเราก็จะยิ่งเห็นถึง การบอกไม่ได้ว่าไม่ฟังมากขึ้นบีอันนี้แค่เฉพาะตัวเราเนี่ยบางทีมันก็ยังวุ่นวายแหละพอไปต้องเกี่ยวพันเกี่ยวเนื่องกับคนอื่นด้วยเนี่ยยิ่งวุ่นวายแล้วพอในชีวิตในสังคมมันมีหน้าที่การงานใช่ป่ะมันก็ยิ่งเอาความผูกพันหน้าที่การงานอะไรเนี่ยมาเป็นตัว ตัวกักเกมเงื่อนไขของความสุขของเราให้มันซับซ้อนมากขึ้นไปอีกอันนี้ก็พักไว้ก่อนทีนี้เวลาที่เราปฏิบัติทําไปแล้วเนี่ยเวลาปฏิบัติทําไปได้ดีขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะใช้คําว่าเราก็จะปล่อยวางใช่ไหมหรือถ้ า, อาภาษาเบ้านๆหน่อยก็เราก็ช่างมัน ขมช่างมันนี่มันจะมีประสิทธิภาพที่ดีดีขึ้นเยอะช่างมันเนี่ยกับปล่อยวางเนี่ยไปทางเดียวกันนะแต่ช่างมันมันไม่ใช่คือปล่อยทิ้งนะปล่อยทิ้งก็คือไม่เอาทุละหน้าที่อะไร น, นะปล่อยทิ้งแต่ปล่อยวางเนี่ยก็คือเราทาหน้าที่จนเต็มความสามารถที่มีเต็มเงื่อนไข ที่มันพอจะทําได้แล้วเราถ้ามันสุดตรงนั้นแล้วเนี่ยเราก็ต้องวางอันนี้ก็คือปล่อยวางนะคือไม่ใช่ว่าไม่ขนขวายไม่ทําอะไรแต่ทํามันจนตเต็มที่แล้วเนี่ยแล้วถ้ามันได้ดีไปกว่า น, นี้ไม่ได้เนี่ยมันก็ต้องทําใจในการที่เราทําใจได้แบบนี้ก็คือช่างมันอะไรแหละช่างมันก็ดีทําใจก็ดีปล่อยวางก็ดีปลงก็ดีอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ ห ม, หมดเดียวกันแล้วมันจะทำได้อย่างมีประสิทธิภาพถ้าเราฝึกใจได้ดีทีนี้ย้อนกลับมาตรงที่ว่าเวลาที่เราอยู่กับคนหมู่มากเนี่ยบางทีมันก็คือทำงานมันต้องมีเป้าหมายใช่ไหมว่าเราจะทำอะไรแล้วก็พยายามจะทำให้มันสำเร็จแต่ความเป็นจริงเ่มันคือสำเร็จบ้างไม่สำเร็จบ้าง อาจจะสำเร็จ 100% ใครๆก็อยากได้ใช่แต่ความสำเร็จที่มันมีอาจจะอยู่ที่80บางครั้ง70บางครั้ง50บางครั้งดีๆเลยก็90ก็มีหรือแบบดีสุดๆเลยก็ 100% เตเต็มตามที่เราคาดหวังเอาไว้เพราะฉะนั้นระดับความสําเร็จผลในการงานหน้าที่ของเรามันก็ต้องมีหลายๆเลเวลเหมือนกัน มีตั้งแต่น้อยจนถึงมากเลยทีนี้โดยมากแล้วเนี่ยเงื่อนไขความสุขของเราเนี่ยมันจะไปอยู่ขีดบนสุดตลอดก็คือหนึ่งร้ยเอร์นเต็มตลอดพอมันน้อยกว่าหนึ่งร้ยเปอร์นเต็มเนี่ยมันจะมีความรู้สึกหน่อยๆนิดหนึ่งว่าไม่พอใจไอความไม่พอใจตราเนี้ยก็คือ เงื่อนไขความสุขของเราวางเงื่อนไขไว้ว่ามันต้องได้เท่านี้1นึเต็มนะเราถึงจะแบบว่ามีความสุขแบบบริบูรณ์สมบูรณ์แต่พอมันไม่ถึงปุ๊บเราก็มีความสุขอยู่เพราะว่ามันทําได้สําเร็จแต่มันไม่สําเร็จแบบบริบูรณ์เนี่ยมันก็เลยมีความกระเทือนใจอยู่บ้างนิดนึงตามลําดับเปอร์เซ็นต์ที่มันมันหย่อนลงมา อันนี้มันก็จะไม่เห็นถึงว่าเวลาเรากลับเจนเงื่อนไขความสุขของเราเนี่ยมันมันซับซ้อนตัวปกติแล้วคนเราอะแล้วทํำยังไงล่ะที่ว่าไม่ซับซ้อนที่ว่าไม่ซับซ้อนก็คือเพราะนั้นพอมาพูดถึงระบบแบบนี้แล้วเนี่ยเราก็มองให้มันถึงเห็นถึงว่าเรามีเขาเรียกว่ามีเป้าหมายใช่ไหมอันหนึ่งกับความคาดหวัง โดยปกติแล้วเนี่ยทําอะไรก็แล้วแต่ทํางานต่างๆเนี่หรือปฏิบัติธรรมก็แล้วก็แล้วแต่มันจะต้องมีเป้าหมายที่เราจะต้องทําให้ได้อันนี้แน่นอนทุกทุกอันทุกทุกมิชั่นมันต้องมีเป้าหมายแต่โดยมากแล้วเนี่ยเราบักจะมีของแถมคือความคาดหวังพ่วงติดมาด้วยเพราะเป้าหมายมันอยู่ข้างหน้าใช่ไหมพอมันมีอยู่ข้างหน้าปุ๊บ เราก็มีความกัดเกนความคาดหวังตามมาด้วยทีนี้พอเรามีความคาดหวังแต่โดยปกติคนเราเนี่ยเราใช้ว่าเฮ้ยเราต้องมีหวังสิเราต้องอยู่ด้วยความหวังสิอันนี้เราใช้บริบทไม่ถูกนะนราต้องเคลียร์เรื่องภาษากันก่อนความคาดหวังกับเป้าหมายคือคนละอันกัน เป้าหมายต้องมีแต่ความคาดหวังคือสภาวะจิตใจของเราที่มันอยากจะได้ผลลัพธ์แต่เป้าหมายก็คือผลลัพธ์ที่เราตั้งไว้จากการกระทําเหตุ1 2สี่หที่เราจะเดินไปถึงจุดนั้นอันนี้คือเป้าหมายความคาดหวังคือความอยากให้ผลลัพธ์มันได้อย่างที่เราวางแผนเอาไว้ว่าคนละอยา่างแตน และพอเรามีความคาดหวังมันก็จะเป็นเข้าเงื่อนไขลงล็อกของเงื่อนไขของความทุกข์อะ่ะพระเจ้าก็ตตัสเอาไว้ว่าหวังสิ่งใดแล้วไม่ได้สิ่งที่หวังน่ะมันก็เป็นทุกข์ยำปิดชั่งนละพติตามปดทุกขั้งนะยำปิดชั่งนละพติก็คือหวังในสิ่งใดนะ นล่นรับปฏิตามปิมทุกข์คือพอไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์เพราะฉะนั้นพอเรามีความคาดหวงนะังแล้วมันเข้าล็อกเงื่อนไขของความทุกข์ใช่ไหมเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราควรจะต้องทําก็คือว่าเราต้องลดความคาดหวังของเราลงไปหรือไม่มีเลยยิ่งดีเรามีเป้าหมายได้แต่เราไม่มีความคาดหวังเลยก็จะดีมากแต่โดยปกติแล้วมันยากแต่ถ้ามัน ทำให้มันไม่มีเลยเนี่ยไม่ได้เราก็มีให่มันน้อยๆกันกที่เราทําให้มันมีน้อยๆเนี่ยอย่างแรกก็คือเราก็ควรจะต้องรู้ว่าถ้าหวังสิ่งใดแล้วไม่ได้ดังที่หวังเนี่ยมันเป็นภูมินะ เ, นะเราจะได้หวังน้อยๆน่อยแต่เป้าหมายเราก็มีใช่ไหมทีนี้พอคนเราเนี่ยปักหมุดเป้าหมายเอาไว้เนี่ยคนที่มีธรรมะกับคนที่ไม่ได้ปฏิบัติธรรมเนี่ย ก็จะมีการปักหมดุดเป้าหมายเอาไว้คนละแบบคนละลักษณะคนที่ไม่ค่อยศึกษาธรรมะปฏิบัติไม่ค่อยปฏิบัติธรรมเนี่ยเขาก็จะเอาความอยากเป็นตัวปักหมุดไปก่อนเอาความอยากปักเป้าหมายเอาไว้เอาความอยากนำมากระชึแต่ถ้าคนที่ปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยเขาก็จะปักเหมือนกัน แต่ปากโดยใช้อะไรโดยใช้ศักยาภาพที่เราพิจารณาดีแล้วเนี่ยว่าเรามีศักยาภาพอะไรเรามีรีสอร์สอะไรบ้างเราทำอะไรได้บ้างก็คือรู้จักตัวเองก่อนรู้จักศักยภาพตัวเองรู้จักศักยภาพองค์กรเราประมวลผลดีแล้วรู้ว่าทำอะไรได้เท่าไหร่แล้วก็ปักหมดเอาไมันจะต่างกันนะบางคนอยากทำอย่างเดียวแต่ไม่รู้ว่าเราทำอะไรได้บ้าง ทำอะไรได้ดีทำอะไรได้ไม่ดีมีคนคอยช่วยไหมหรือไม่มีคนช่วยอะไรเงี้ยรู้แต่ว่าจะทําอันนี้ก็ทําอันนี้ทําแบบหน้ามืดตามวัวไปแต่คนที่ดีขึ้นมาหน่อยก็ปักเป้าหมายเอาไว้ในแบบที่รู้ตัวเองรู้ศิสยภาพตัวเองว่าเราปักไปแล้วเนี่ยเราจะทําอะไรได้แล้วน่าจะทําให้มันสําเร็จได้ถ้าภาษาทางธรรมะนี่ก็เรียกว่า เป็นคนที่มีเป็นคนมักน้อยมักน้อยฝั่งให้มั น, นดูแบบจี๊ดๆนิดหนึ่งแต่จริงๆแล้วคำว่ามักน้อยไม่ใช่ไม่ดีนะอย่างคนที่ปักด้วยความอยากอย่างเดียวอันนี้เขาเรียกว่ามากมากคือไม่รู้ตัวเองไม่รู้ศักยภาพตัวเองอยากแต่จะได้แล้วก็ปักเป้าหมายลงไปแล้วก็ทํายากทําให้สําเร็จยากเพราะอะไรเพราะตัวเองไม่รู้จักตัวเองรู้แต่ความอยากของตัวเองท่านก็เลยให้ใช้คําว่ามหิตตา ก็คือมีความอยากที่มันมากเกินประมาณ น, นความอยากใหญ่แต่คนเที่ยวรู้จักตัวเองเขาก็ไม่ได้ปักอะไรที่มันมากเกินความสามารถของตัวเองก็คือเ้าเรียกว่ามากน้อยก็รู้จักตัวเองก็ปักตรงที่ตัวเองทาได้นั่นแหละปักลงไปเป้าหมายมันก็จึงเป็นสิ่งที่อยู่ในขับขอบข่ายที่ศักยภาพเราจะทำได้ไม่เกินความสามารถของตัวเองโอเคองั้นเราก็เกกันแล้วว่า เวลาที่เรามีความสามารถที่เราจะทําอะไรได้แล้วเราปักเป้าหมายเอาไว้ด้นนนี้มันสามารถที่จะทําได้จริงๆเพราะฉะนั้นคนที่มีธรมรมะก็รู้จักที่จะประเมินให้มันตรงทางความจริงแล้วก็เอาความเป็นจริงที่เราควรจะมีควรจะเป็นควรจะทำเนี่ยปักเราไว้ลงเป็นเป้าหมายพอมีเป้าหมายแล้วสิ่งที่ที่เรารู้แล้วว่ามันจะมีทุกขมีโ ท, ทษเกิดขึ้นก็คือความคาดหวังนะทีนี้เพราะฉะนั้นเราก็ ลดถอนความคาดหวังไปมันเหมือนคนวิ่งนะวิ่งวิ่งไปวิ่งไปเวลามันเริ่มเหนื่อยมันจะเริ่มมองแต่ข้างหน้าเมื่อไหรจะถึงวะเมันอไหรจะถึงวะยิ่งมองยิ่งเหนื่อยแต่พอเราเลิกคิดถึงเป้าหมายก็คือไม่มีความคาดหวังว่าจะเส้นชัยจะถึงเมื่อไหร่เนียเราก็มีความสุขกับปัจจุบันน่นคุยอยู่คนข้างข้างบังดูชมนกชมไม้ไปเคลื่อนไป แต่รู้ว่าถ้าเราเวียงวิ่งบนถนนเส้นนี้ทางเส้นนี้อยู่เนี่ยมันไปถึงเป้าหมายเราแน่นอนเราก็มีความสุขกับปัจจุบันไปแล้วก็คอยเช็คว่ามันยังตรงทางอยู่เพราะมันเป็นอย่างนั้นตึง้งแน่นอนเลยล้วก็ลดผ่อนความทุกข์จากความคาดหวังอกไปได้เยอะง่ายๆก็คือพอเราปักเป้าหมายไปแล้วเนี่ยให้เรากลับมาอยู่ที่ปัจจุบันนั่นแหละมีฉันทอยู่กับเหตุ ในการงานของเรามีวิริยะมีความพยายามอยู่กับการงานของเรามีจิตตะคือความจดจ่อยในการงานของเรามีวิมังสาก็คือมีความคิดแก้ไขใขครัวรพิจารณาว่าอะไรต้องแก้อะไรต้องทําต่อไปอันนี้ไม่ได้ทําให้การงานของเรามันทําได้ดีอันนี้ก็เป็นเหตุลดทอนความทุกขนะ์ในปัจจุบันของเราแต่แน่นอนพอมันเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ย เราก็จะต้องเกี่ยวเนื่องด้วยคนด้วยมันก็จะมีคนที่เราทำงานแล้วมันไปกับเราได้ดีแล้วมันก็จะมีคนที่ทำงานแล้วมันคนละสไตล์กับเราก็มีอย่างี้มันก็จะคง่ายมันมันก็ลงรอยกันบ้างไม่ลงรอยกันบ้างพอมันเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยด้อยว่าเรามีเป้าหมายอยากจะทำให้มันเสร็จ มันก็จะต้องถ่ายเป็นว่าคนไหนที่มันเตะแข้งเตะขาทวนแข้งทวงขากับทีมงานกับกับทีมให้มันไปยากอะไรเงี้ยมันคือเราจะจิตจี๊ที่หนึ่งมาจิจีที่หนึ่งเราเราก็บอกว่าฉันปฏิบัติทำมาแล้วฉันก็อยู่กับพุโทโธอนีก็ถูกต้องแล้วก็ดี เราก็รักษาใจเอาไว้ไม่ให้มันหมดหิดเราก็ดึงใจกลับมาไว้ที่พุทโธดึงใจกลับมาไว้ที่ลมหายใจถามวาดีไหมก็ดีอ่ะแต่แน่นอนแหละทุกครั้งที่เรายังเห็นอีกคนที่ท่งแข้งตรองขากับระบบงานเนยเราก็จะจี๊ดขึ้นมาตลอดใช่ไหมทีนี้มันก็มีอยู่สองอย่างอะไรอย่างแรกก็คือเราเปลี่ยนเขาได้เขาสามารถปรับปรุงได้ดีกว่า อย่างแรกก็คือเขาสามารถปรับปรุงได้ 2. ก็คือเขาไม่สามารถปรับปรุงตัวเองได้มันก็มีอยู่2กรณีนี่แหละซึ่งถ้ามันเป็นในกรณีที่เขาสามารถปรับปรุงตัวให้มันเข้ารูปเข้ารอยกับการทํางานได้ดีขึ้นเงี้ยเราก็จะจีจ๊ดจ๊าดลดงแน่อนอนแต่ถ้าเกิดในกรณีที่เขาไม่ปรับปรุงตัวเลยอย่างเงี้ยมาก็เช้าชามเย็นชาม วันๆก็ไถแต่โซเชียลมีเดียแชทคุยนู่นนี่ไม่ค่อยได้ทำงานเท่าไหร่ยิ่งเห็นมันก็ยิ่งจี๊ดก้าไปถ้ายิ่งเป็นหัวหน้าด้วยก็ยิ่งจี๊ดใจก็ไปมันก็มี2อย่างอะสองอย่างให้เราเลือกอย่างแรกก็คือต้องทำใจไปก่อถ้าในกรณีที่เขาเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้นะแต่ถ้าในกรณีที่เขาเปลี่ยนแปลงไม่ได้แล้วเราทุกข์เยอะ เราก็ต้องรู้ว่าที่เราทุกข์เยอะเพราะอะไรเราคุยกับตัวเองดูว่าถ้าคิดกรณีอย่างนี้เนี่ยเรารู้สึกว่าออต้นเหตุของความทุกข์ที่เรามีาเป็นยังไงซึ่งถ้ามองให้ดีนี่แหละผู้ยังไงก็คือย้อนกลับมาต้องเงนื่อนไขความสุขหนึ่งความสุขของเราเนี่ยมันซับซ้อนขึ้น ความสุขของเรามันตั้งอยู่บนพื้นฐานที่ว่าถ้าเขาทำได้ถูกใจเราเราก็จะมีความสุขใช่ไหมถ้าเขาทำไม่ถูกใจเราไม่ถูกอย่างที่เราตั้งเป้าเอาไว้เราก็ไม่มีความสุขนั่นเองทีนี้ถ้าเขาทำได้อย่างมีที่เราตั้งตั้งเป้าไว้ที่เราคาดหวังเอาไว้มันก็มีความสุขมันก็ไม่แปลกอะไร แต่เขาไม่สามารถเป็นในอย่างที่เราอยากให้เป็นได้นเราก็ต้องทุกตลอดสิถ้าอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะเงื่อนไขความสุขของเรามันถูกผูกไปด้วยสมา ก, การอันนี้เอาไว้แล้วเราจะทำยังไงเราก็ต้องเข้าใจนะแหละความเป็นจริงว่าคนเรามันไม่เหมือนกันมันก็ต้องมีทั้งคนดีและคนไม่ดีเลยแล้วอีกอย่างหนึง่งเราจะทำให้ทุกคนมันเป็นเหมือนกันทุกทุกอย่างาก็ไม่ได้มันก็ ถ้าเราทําไม่ได้ใช่ไหมเราก็จะลบสมาการเร น, นี้ออกไปซะคือคุณไม่ต้องมาเป็นเหมือนที่ฉันอยากให้เป็นก็ได้ฉันก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรอย่างน้นอยๆมันก็กระทบกระเตือนใจนิดหน่อยแต่ไม่มากเท่ากับคือพูดง่ายๆบางครั้งเรายังควบคุมตัวเองลําบากเลยเพร า, าเราจะไปควบคุมให้เขาเป็นดั่งใจเรามันก็ยิ่งลําบากถ้ามันควบคุมไม่ได้อันนี้มันเกินความ ความสามารถของเราแล้วเราจะไปเสียดิทำมันก็ยิ่งถูกกับเราเพราะฉะนั้นทําได้อย่างเดียว็คือก็ปล่อยให้มันเป็นไปในแบบที่เขาเป็นอะไรนะกรรมมันก็เป็นตัวชี้เครื่องบ่งชี้ของเขาไปทีนี้แน่นอนแหละกิเลสมันก็ต้องคิดว่าเสียมเรานะาคนเรามันก็ต้องทนะําหน้าที่มันถูกสิอันนี้ก็ไม่เถียงนะอันนี้มันถูกน่นก็ถูกน่แหละแต่พี่งแต่ว่า เราจะเอาความถูกต้องไปบังคับใครให้มันทำถูกต้องซะทุกอย่าง่ะมันก็เป็นไปนไม่ได้เหมือนกันบนโลกใบนี้มันก็ดูเหมือนจะมีคนที่รู้เรื่องและไม่รู้เรื่องอ่ะถ้าทุกคนรู้เรื่องกันหมดโลกใบนี้มันก็จะไม่มีปัญหาอะไรแต่โลกใบนี้มันมีปัญหาเยอะแยะก็คือมันมีทั้งคนรู้เรื่องและคนไม่รู้เรื่องม ล, ลอันนั้นก็คือธรรมชาติความเป็นจริงบนโลกใบนี้ที่เราต้องยอมรับมัน เราก็มาแจกับคนที่มันไม่รู้เรื่องพอดีไม่รู้เรื่องว่าคุณจะทําให้มันดีเพราะฉะนั้นมันก็มีอยู่สองสถานะนะ่ะถ้าเราเป็นสถานะที่เป็นเพื่อนกันทํางานกันเราไม่มีสถานะอะไรที่จะเป็นบอกไปสั่งหรอะไรเขาได้มันก็ทําใจไปทําใจไปแล้วอีกอย่างหนึ่งคนเรามันก็ไม่ได้ดีดีรอร์เซ็ในทุกมุม คนเราก็มีทั้งมุมที่เป็นคนดีและอีกมุมที่เป็นคนไม่ดีมันก็ปนๆกั น, นอยู่ในคนคนเดียวกันพอเราเจอในด้านที่ไม่ไมชอบเราไปเหมาเขาทั้งหมดเลยว่าเขาเป็นคนไม่ดีในทุกๆจังหวะของชีวิตเขาบางทีมก็ไม่ถูกเหมือนกันแล้วความคิดอย่างเนี้ยเราคิดว่ามันเป็นความคิดของคนดีไหมเขาเป็นคนไม่ดีเขาเป็นคนไม่เอาภาระการงานยิ่งเราบ่นอยู่ในหัวเราอะ ความไม่ดีมันก็เกิดขึ้นกับเรานรั่นแหละความคิดอกุศลก็เกิดขึ้นความขัดเคืองขุ่นข้องก็เกิดขึ้นในใจเราแล้วไงเขาก็ไม่ได้ทำอะไรเลยนะเขาก็เป็นของเขาอยู่อย่างนั้นแหะจต่กลับกลายเป็นว่าสกุปกที่ใจของเรามาจากไหนไม่ได้มาจากเขาหรอกมาจากใจเราเองล้วนๆเลยมาจากกิเลสในใจที่มันแค่เอาเรื่องขายข้างนอกนิดหน่อยเอามาเป็นเชื้อเพาะให ให้ความโศปลอกอันนี้มันตอบโตขึ้นมาอันนี้ก็คือเราไม่ได้ระวังรักษาใจของเราให้มันดีมีเขาเรียกว่าโดนกิเลสมันเอาเล่เหลี่ยงนิดหน่อยที่ว่าต้องถูกต้องสินันถึงจะดีเอามาทำให้เรากลายเป็นคนไม่ดีซะงั้นให้เราเป็นคนที่คิดไม่ดีคนอื่นบางครั้งก็พูดจาไม่ดีใส่คนอื่นบางครั้งก็อาจจะประพฤติตัวไม่ดีใส่คนอื่น ด้วยเหตุผลอะไรด้วยเหตุผลว่าเขาทำไม่ดีอันนี้คนเราก็จะเป็นกันเยอะเวลาเขาเจอคนที่ทำอะไรผิดทำอะไรพลาดสัหน่อยหนึ่งเหมือนที่ว่าทัวลงทัวลงนะเวลาคนอะไรพลาดนิดหน่อยคนก็ไปลุมด่าอยู่ในโซเชียลบ้างหรือว่าถ้าอยู่ในที่องค์กรก็ลุมเม้ามอยนินทาแอนตี้อะไรกันไปซึ่ง เขาทํำไม่ดีมันก็ควรจะจบอยู่ที่เขาอะแต่กลายเป็นว่าสมัยนี้ค่านิยมมันรุนแรงตรงที่ว่าเวลาพอใครทําอะไรกันคนไม่ดีนิดหนึ่งครั้งหนึ่งมันเหมือนกับว่าเราจะทําอะไรเขาก็ได้เราจะว่าเขายังไงก็ได้เราจะทําอะไรเขาก็ได้ทําร้ายก็ได้ด่าก็ได้ซึ่งอันนี้มันเป็นค่านิยมที่มันไม่ถูกนะไม่ถูกนะไม่ถูกอย่างยิ่งตามธรรมเพราะอะไรเพราะการที่เราด่าเขาว่าเขาอะ มันก็มันเป็นการเพิ่มพูนจิตอกุศลของเราอ่ะมันกลายเป็นว่ามันเหมือนจะดีมันเหมือนว่าจะได้ทำให้เขาปรับปรุงตัวได้ทำให้เขากลับตัวกลับใจแต่จริงแล้วไม่ใช่เลยเขาจะกลับตัวไม่กลับตัวในเรื่องของเขาแต่สิ่งที่เราได้มาเต็มๆนี่คนิสัยไม่ดีของเราเองนิสัยที่เราแยดีๆก็ไปด่าคนอื่นไปว่าคนอื่นด้วยมมมองว่า เฮ้ว่าคนเลวไม่ผิดหลักด่าคนเลวไม่ผิดหลักอันี้มันไม่ใช่เงื่อนไขของของธรรมะที่มันถูกต้องนะจะากความโสโปรกข้างนอกมาเป็นเงื่อนไขให้ตัวเราโสโปรกเนี่ยมันไม่ถูกไม่ถูกอย่างยิ่งกลายเป็นว่ายิ่งอยู่มีมีแบบนี้เนี่ยมันทําให้เราขัดทุนไปไเรื่อยเื่เรียกว่าเป็นความเห็น ทิฐิคือความเห็นที่มันผิดเพราะว่ามันทำให้สภาวะจิตใจของเรามันตกต่าลงไปเรื่อยๆแล้วพอเราว่าคนอื่นบ่อยๆซ้ำเติมคนอื่นบ่อยๆอย่างเงี้ยสภาวะจิตใจเรามันจะเป็นยังไงมันก็ไม่ได้สะอาดไม่ได้ผ่องใสไม่ได้เยือกเย็นไม่ได้ช่มชื่นเบิดบานเลยแล้วก็จะเป็นคนที่ มีพื้นฐานของใจที่มันขมุกขมมวเร่าร้อนห ง, งุดหงิดมันก็ประมาณนั้นนะแล้วเราก็จะเป็นคนที่หาความสุขได้ไม่ง่ายอ่ะหาความสุขมันก็แบบแป๊บเดียวมันก็เร่าร้อนเหมือนเก่าเพราะพื้นเดิมของเรามันไม่ได้รับการเค้ไขแต่การการที่เรามารักษาใจ พยายามเห็นแล้วนี่ว่าเมื่อกี้เรากําลังจะด่าเขานะเรากำลังจะว่าเขานะแล้วเราก็ดึงใจเรากลับมาไว้ที่พุทโธดึงใจเรากลับมาไว้ที่ลมหายใจไอความคิดเหล่านั้นจิตแบบนั้นก็หมดกําลังอ่อนแรงออกไปสภาวะนี้ก็หายไปแล้วเราก็อยู่โดยสภาวะพื้นของจิตที่มันอยู่กับกุศลอยู่กับพุทโธอยู่กับลมหายใจ อยู่เป็นสภาวะที่ใจของเราเนี่ยมันห่างไกลจากโลภะตทวสะโมหะราคะใจเรามันจะได้เป็นพื้นที่องสางใสเยือกเย็นเบิกบานช่มชื่นอยู่เพราะฉะนั้นจะดีจะช่วงมันก็เป็นเรื่องคนอื่นน่ะอย่าเอามาเป็นเรื่องของเราแน่นอนแหละ สุดท้ายผลผลของการทำไม่ดีของเขาเดี๋ยวมันก็เป็นเรื่องที่เขาจะต้องรับเอาไปอย่างเช่นถ้าเขาขี้เกียจมากทำงานได้ไม่มีประสิทธิภาพสุดท้ายหัวหน้าเขาก็ต้องพิจารณาเองว่าเขาเหมาะกับงานนี้หรือเปล่าอย่างนี้เป็นตน้นส่วนถ้าเราอยู่ในตำแหน่งของหัวหน้าที่เราจะต้องดูแลการงานแล้วกับคนคนนี้นี่มันพัฒนาไม่ได้ ที่เกียรหรือว่าไม่ใส่ใจงานแล้วเขาก็ไม่ปรับปรุงตัวมันก็เป็นเหตุที่เราก็ต้องหาคนอื่นมาแทนมันก็เป็นเรื่องปกติแต่เราก็ไม่ได้ทำบนพื้นฐานที่เราแบบเราทำตามเหตุตามผลนะที่ควรจะเป็นใช่ไหมแล้วเขาไม่ได้ทำไปเพืเอ่อเหม็นที่หน้าเขาหรือว่ามีอคติ อะไรเยอะแยะอย่างเงี้นะถ้าเราทำทำได้โดยพื้นฐานที่ตามเหตุตามผลเนี่ยเราก็จะรักษาใจเราได้ควบคู่กับการทำงานกับการตัดสินใจในการงานของเรามันก็เป็นแบบนั้นไปเพราะฉะนั้นกรรมมันก็เป็นตัวตัดสินนั่นแหละว่าเขาทาแบบนี้นะมันก็ได้ยี่ห้อความดีความงามหรือ ถ้าเขาทําในแบบที่มันไม่ดีผลที่มันปรากฏในผลงานของเขารปรากฏในความรู้สึกของคนรอบขําก็ไม่ดีนะเพราะฉะนั้นมันจะมันก็เป็นไปตามกรรมของเขาแหละแต่เพียงแต่ว่าเรื่อนไขความสุขของเราอ้ารมองย้อนดูตรงที่ว่าถ้าเราครบการด้อยเห็นแล้วเขาเบียดเบียนบริษัทเบียดเบียนองค์กรเขาไม่ปรับปรุงตัวเนี่ย เราอยากให้เขาทำให้มันดีอันนี้ก็คือก็ต้องมองดูว่าเรามีศักยภาพในการทำแบบนั้นหรือเปล่าเปลี่ยนเขาได้ไหมบังคับเขาได้ไหมถ้ามันศักยภาพมันไม่มีทำแบบนั้นได้เนี่ยอย่างแรกก็คือเราก็ต้องทำใจช่างมันทีนี้พอช่างมันได้เนี่ยเราก็อยู่ได้อย่างกระทบกระเทือนใจน้อยลงนะเพราะเงื่อนไขของเราก็คือ ถ้าเขาต้องอย่างนี้หนึ่งสองสามเราถึงจะมีความสุขแต่พอเราทำลายเง่ไขความสุขของเราไปแล้วเขาจะทำอะไรมันก็เรื่องของเขาไปเราก็เราก็อยู่ได้เพราะฉะนั้นเราก็จะไม่กระทบกระเทือนจิตใจมากควาว่าช่างมันมันก็ทาให้มันมีประสิทธิภาพขึ้นในจิตใจของเรานะปล่อยวางแต่ก็อย่างที่บอกอยากจะย้ำว่า ปล่อยวางกับปล่อยทิ้งไม่เอาธุระคนละเรื่องกันปล่อยวางคือทําเต็มความสามารถเงื่อนไขที่เหตุปัจจัยที่มันมีแล้วพอมันเต็มที่แล้วแล้วมันไปต่อไม่ได้อันนี้นก็วางแต่ไม่ใช่ว่าทําได้แล้วไม่ทําอันนั้นคือปล่อยทิ้งอันนั้นคือไม่อยากทำก็คนละเรื่องกันอันนี้บางทีมันก็กันน้นกันได้เส้นบางๆนิดหน่อยระว่างปล่อยวางกับปล่อยทิ้งนะี่ อันนี้เราก็ต้องไปสำรวจใจเราเองนะเพราะว่ามาตรฐานของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเราก็ต้องคอยคอยดูดูแลที่จิตใจของเรานีา่ยแหละให้มันมีสติคอยกากับใจมีความถูกต้องกากับใจถ้าเราเอาความถูกใจเป็นตัวตัดสินเราก็ต้องเบรกไว้ก่อนนิดหน่อยแล้วก็ต้องดูว่าถูกใจกับถูกต้องเนี่ยมันไปด้วยกันนะโอเคแต่ถ้า ถูกใจแล้วเรามาพิจารณาแล้วอีกถูกต้องมันไปอีกเส้นทางหนึ่งเราจะได้วมาทางเส้นทางที่มันถูกต้องก่อนเพราะฉะันเวลาที่เรามีสติกำกับใจเนี่ยมันจะมันจะมีสองช้อยให้เราพิจารณาระหว่างถูกใจกับถูกต้องด้วยให้มันไปในทางเดียวกันแต่ถ้ามันไปทางเดียวกันไม่ได้เราก็ต้องเลือกถูกต้องไปก่อทั้งหมดต้องมวลก็อย่างที่บอกไป มันก็อยู่ที่ว่าเรามีสติที่เห็นใจของเรารู้เท่าสันใจของเรามีสติเห็นความคิดมีสติเห็นอารมณ์ใจเพราะฉะนั้นพื้นฐานมันก็จึงจึงย้อนกลับมาที่พื้นฐานเล็กๆตัว น, นี้แหละที่ว่าเร า, ามีสติเกิดขึ้นเห็นกายเห็นใจเห็นความคิดเห็นอารมณ์ในใจของเราหรือเปล่าถ้าเราเห็นไม่ได้บ่อยๆแล้วก็ต้องฝึกเพิ่มขึ้น เรามีสติคอยเห็นกายเห็นใจเห็นอารมณ์ในใจพอเราเห็นอย่างนี้เรื่อยๆเนี่ยสิ่งที่มันจะตามมาก็คือเราจะมีความสามารถที่จะรู้จักทุกอันหนึ่งนะรู้จักทุกรู้จักเหตุเกิดทุกแล้วก็รู้จักความดับของทุกแล้วก็รู้จักทางดําเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกสี่อย่าง วาเรามีสติคอยเห็นกายเห็นใจเห็นอารมณ์ในใจอยู่อย่างนี้เนี่ยเราจะค่อยๆเข้าใจ เ, าเรื่องของกระบวนการความทุกข์กับจิตใจของเราได้ดีขึ้นละเอียดขึ้นตัวอยู่ในกรอบนี้แหละคือรู้จักทุกข์รู้จักเหตุเกิดทุกข์รู้จักความดังของทุกข์และรู้จักทางดำเนินให้ถึงความดั่งไม่เหลือของทุกข์แล้วเราก็จะได้เห็นนะว่า เวลาที่เราทุกเนี่ยเวลาเป็นพิจรารณานดีๆแล้วเนี่ยสายเหตุของความทุกข์มันก็จะคนละอย่างจากที่เราเห็นเมื่อสมัยก่อนอย่างยกยกตัวอย่างเมื่นกี้ทันที่เราเจอเพื่อนในองค์กรทํางานไม่ถูกใจเราเราก็จะเห็นว่าเขานั่นแหละเป็นต้นเหตุของความทุกข์ของเราแต่พอเราเห็นใจอยู่เรื่อยๆพิจารณาดีๆ เราก็จะเห็นนั่แล้วว่าจริงๆแล้วเฮ้ยมันก็ใช่อยู่แต่อันนัน้นเป็นเปลือกนอกนอกนอ ก, นอกไปและแต่ไอตัวสาเหตุของความทุกข์ที่มันละเอียดละเอียดจริงๆต้นตอจริ ง, รงๆมันมันมาจากความคาดหวังในใจของเราเองว่าเขาต้องทําแบบนี้แล้วเขาก็ไม่ทําตามที่เราคาดหวังเอาไว้เราก็เลยไม่พอใจก็เป็นทุกข์กระเทือนใจ หวังให้เขาเป็นอย่างนั้นแล้วเขาไม่เป็นอย่างที่เราหวังก็เป็นทุกอย่างนั้นเราลดลดการกักเกณใครๆออกไปดีกว่าเราก็ไม่กักเกณอะไรเขามากแหละทาดีไม่ดีมันก็เรื่องของเขาเดี๋ยวเขาก็เป็นไ ป, น ป, นปนตามกรรมของเขาเองนั่นแหละพอมาเป็นอย่างนั้นป๊บเราก็สบายใจขึ้นแล้วนี่เราก็อยู่กับเขาได้แบบมุดหงิดน้อยลงขัดเคืองน้อยลงได้ นนมุมมองของเหตุของความทุกข์เนี่ยมันจะค่อยๆเปลี่ยนไปมันก็จะถูกเขาเรียกว่าเก่าถูกที่คันมากขึ้นนั่นแหล ะ, ะเพราะฉะนั้นก็อย่างที่บอกเวลาที่เรามีสติคอยเห็นกายเห็นใจเราอยู่เรื่อยๆอย่างนี้เนี่ยมุมอมองที่เราจ ะ, จะได้ศึกษาเพิ่มเติมจริงๆก็คือมุมอมองเกี่ยวกับเรื่องทุกข์ที่จิตใจนะเหตุเกิดทุกข์ ความดับทุกข์แล้วก็ทาดําเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์เราก็จะเป็นผู้ที่มีความชํานาญในการบริหารจัดการเกี่ยวกับความทุกข์ได้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นพอเรามีศักยภาพในการบริหารจัดการความทุกข์ได้ดีขึ้นเนี่ยมันต้องดีขึ้นกว่าคนปกติแน่นอนคนปกติรู้จักแต่วิธีหาความสุข แล้วก็เป็นความสุขทางกามทางสุขความสุขทางตาหูจมูกหูยิ้มไกนะแล้วก็ไม่ค่อยมีวิธีการบริหารจัดการความทุกข์ด้วยแต่พอเรามาศึกษาเรื่องกับจิตใจปุ๊บเราได้ศักยภาพ ค, คือเรามีวิธีหาความสุขที่เรียกว่าความสุขที่หลุดออกจากการรมเพิ่มมาอันหนึ่งแล้วเราก็ได้ศักยภาพในการที่เราจะบริหารจัดการความทุกข์ เป็นแพ็กเกจคู่กันมาอีกอันนึงังนั้นเราก็จะเป็นนักบริหารจัดการความทุกเพิ่งขึ้นอีกแบบนึงถ้าถ้าเหมือนนี่องค์กรก็คือเราก็ต้องมีตั้งหน่วยก็ เ, เรียกอะไรตั้งหน่วยที่เ็าเรียกว่าจัดการกับความเสี่ยงอ่ะมันอะไรที่มันเสียเส่ยงๆกับงานเสียเส่ยงๆกับธุรกิจ เราวิเคราะห์แล้วอันนี้เขาเอาอ อ, อ, อ, อ, ออกมีหน่วยประเมินความเสี่ยงแล้วก็มีวิธีบริหารจัดการความทุกเพิ่มขึ้นขึ้นมาอีกอีกแบบหนึ่ง